เจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านวันนี้รายการธรรมสู่สันติก็กลับมาพบกับสาธุชนอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีแห่งนี้อัตมาภาพในนามของคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำอเภอรํมเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีได้นําธรรมะมาสู่ท่านสาธุชนเป็นประจําทุกครั้งที่รายการธรรมะส่สันติมาพบกับท่านสาธุชนก็จะได้นําสารธรรมจากธรรมะบรรยายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยบ้างปาตกถาธรรมบ้างมาสู่ท่านสาธุชนเป็นประจําวันนี้ก็ต่อเนื่องจากข่าวที่แล้ว เป็นปัญหาธรรมะของหลวงพ่อพระมหาเส ร, ริมชัยชยมังคลโอที่ได้ตอบให้แก่ข้าราชการตำรวจกองกำกับการสามกองบัญชาการการศึกษาได้รับฟังกันเนื่องในโอกาสเข้าไปอบรมที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามซึ่งคราวที่แล้วท่านได้ตอบค้างไว้ในเรื่องหลักของการปฏิบัติภาวนาธรรมตามแนววิชาธรรมกายซึ่ง เนื้อความจะเป็นเช่นไรนั้นขอเชิญท่านติดตามรับฟังในตอนที่สองโดยพร้อมกันนบบัดนี้การมีสติพิจารณาเนืองๆให้เห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงว่าสัตว์โลกหรือผู้คนทั้งหลายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตัวเรานั่นแหละ ล้วนมีความแก่นี่ข้อหนึ่งความเจ็บข้อสองความตายเป็นธรรมดาไม่มีใครร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปได้นี่สามข้อแล้วและพิจารณาเห็นเนืองๆว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม ใครทำกรรมดีก็ตามกรรมชั่วก็ตามต้องได้รับผลของกรรมนั้นข้อ5ทุกคนต้องพลัดพรากจากสิ่งของหรือบุคคลที่เรารักเราหวงแหนทั้งสิ้นไม่มีใครที่จะหวงแหนไว้ได้ตลอดไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเองนั่นแหละ อีกหน่อยก็เป็นผุยผงไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ไหนนี่ห้าอย่างละยังมีอีกสี่อย่างคือการมีสติพิจารณาเห็นกายในกายนี่ว่าปรุงแต่งอย่างไรมีสภาวะที่เป็นไปตามธรรมชาติ คือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอย่างไรนี่กายในกายมาแล้วแล้วก็เวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตสองอย่างนี้ก็คือธรรมชาติของใจดึงเอามาสองอย่างมันก็รวมกันมาทั้งสี่อย่างนั่นแหละเพราะเวทนาและจิตนี่เราจะต้องควบคุมให้ดี จึงยกทรงยกขึ้นมาให้พิจารณาเห็นตามธรรมชาติที่เป็นจริงในฝ่ายนามขันว่าม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรและก็มีอะไรเป็นเครื่องปรุงแต่งประกอบอยู่ภายในกิเลสยังไงละ่ะทั้งหยาบกลางละเอียดกิเลสหยาบดนจิตดนใจปฏิบัติตามอำนาจของมันแล้วก็มีกิเลสละเอียดละเอียดอย่างกิเลสนิวรณ์นี้เป็นต้น แล้วก็กิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นในจิตใจบ่อยๆเข้าตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานเรียกว่าเริ่มเป็นเครื่องหมักดองในจิตสันดานเรียกว่าอาชวะและตกตะกอนนอนเนื่องในจิตสันดานเป็นอนุสัยกิเลสแล้วก็จะเกิดขึ้นพร้อมกับอคุศลจิตคือจิตที่ไม่ดีแล้วก็ฟุ้งขึ้นมา ในจิตใจดนจิตดนใจปฏิบัติตามอำนาจของมันจากกิเลสละเอียดจากอนุสัยกิเลสขึ้นมาเป็นกิเลสกลางกิเลสหยาบนี่ก็เครื่องปรุงแต่งทางใจและก็มีสภาวะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสองอย่างนี้คือการมีสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิต และข้อสุดท้ายข้อที่สมีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมธรรมในธรรมนั้นท่านให้พิจารณาเห็นเบื้องต้นเลยว่าจิตใจเรานั้นขณะนี้มีกิเลสนิวรข้อใดเกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วพึงระ ง, งับเสียระ ง, งับก็ใดยการปฏิบัติสมถะภาวนานั้นนั่นเอง เมื่อจิตใจผ่องใสแล้วพิจารณาอุปทานความยึดมั่นในถือมั่นด้วยตัณหาและทิฏฐิอันเป็นทุกข์ยึดมั่นถือมั่นในเบนจะขันหรือขันห้าแล้วก็ละเอียดต่อไปอายตนะส2องธาตุสปอินทรีย์2ไปถึงอริยสัจสี่นี่ต้องพิจารณาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งและปฏิจจสมุปบาทธรรมส2บสอง คือเหตุในเหตุไปถึงต้นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ซึ่งความจริงเรื่องนี้ก็อยู่ในอริยสัจสี4นั่นแหละคืออยู่ในเรื่องของทุกข์และเหตุแห่งทุกข์คือสมุทยนี่ทั้งหมดนี้คือการพิจารณาหข้อแรกว่าตัวเราหรือสัตว์โลกทั้งหลาย ต่างมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาใครทํากรรมดีได้ดีใครทํากรรมชั่วได้ชั่วคือสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมและทุกคนต้องพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งของที่เรารักเราหวงแหนทั้งสิ้นให้เห็นตามสภาพที่เป็นจริงห้าอย่างอย่างนี้เรียกว่าอภินหาหะปัจจเวก ค, คือการพิจารณาเนืองเนือง มีสติพิจารณาเห็นเนือ ง, งใจก็จะสงบระ ง, งับจากกิเลสมีวอนได้แล้วก็การเจริญสติปัฏฐานสี่มีการมีสติพิจารณาเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตและเห็นธรรมในธรรมในเบื้องต้นใจก็สงบระ ง, งับได้ หรือเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาธรรมชาติสี่อย่างซึ่งถ้าจะแยกก็คือฝ่ายรู ป, ปรขันธ์และฝ่ายนามขันธ์และก็ฝ่ายธรรมะดีหรือชั่ว หรือกลางๆให้เห็นตามที่เป็นจริงอย่างนั้นรวมเป็นเก้าข้อนี้ขั้นสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานที่ทรงสแสดงไว้มีในพระบาลีทีนี้แต่ก็ทรงสแสดงในหลายที่แลพระอัฏฐกถาจาร์รวมมาไว้วิธีปฏิบัติในขั้นสมถะภาวนากับสมถะกรรมฐานนี มีอยู่สี่สบข้อสี่สบข้อสี่สบข้อนี่เาเรียกว่าสมถะ ภ, ภูมิสี่สิบนี่นะตรงนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านทั้งหลายพึงทราบหลักนั้นสมถะ ภ, ภูมิ4ี่สบประกอบด้วยอะไรบ้างอนุสติสิบการมีสติพิจารณาตามเห็นคุณของพระพุทธ คุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของทานกุศลคุณของศีลกุศลคุณของเทวดาหมายถึงคุณธรรมนะคุณของพระนิพพานการพิจารณาเห็นความตายของตนเนืองเนืองเหล่านี้เป็นต้นสิบอย่างเรียกว่าอนุสติสิบทำให้ใจสงบเหมือนกันนี่เรียกว่าอนุสติสิมีกสินสิบนี่ตรงนี้ เครื่องเพ่งกระสินสิบนี่มีวั น, นกระสินสี่คือกระสินที่เห็นเป็นสีสีใช้สีเป็นเช่นใช้สีสีเขียวสีเขียวสีเหลืองสีขาวสีแดงอื สีเขียวเขาเรียกนินกสินสีแดงเขาเรียกโลหิตะกรสินสีขาวโอทากสินสีเหลืองปีตะกรสินนี่กรสินสี่ข้อแรกอีกสี่ข้อหลังเขาเรียกภูตะกรสินอีกสี่กสินน้ำกสินดินกสินไฟกสินลม แปดแล้วอีกสองอโยมต้องนั่งเวลาฟังธรรมนี่ต้องขออภัยนะธรรมเป็นของสูงต้องนั่งด้วยความเคารพอย่าอย่าเอนไปข้างหลังแบบนั่งตามสบายหรือว่าอย่าในลักษณะไม่เคารพเนะเพราะว่ามันเป็นผลแก่ท่านเองนะเพรนั้นอันนี้ก็ตั้งใจนิดนึงอดทนหน่อย ผู้ตกสินผู้ตกสินก็กสินดินน้ําไฟลมอกสินดินก็ปัทวีกสินกสินน้ําอาโปกสินกสินไฟเตโชกสินกสินลมวาโยกสินนี่เป็นแปนขาดอีกสองสองนี่สําคัญะ อากาศกสิณ น, นี่กสิณที่ว่างเปล่าเพ่งความว่างเปล่ากับอีกอันหนึง่งอาโลกะกสิณทั้งหมดกสิณทุกข้อเนี่ยไม่ว่าจะเพ่งอะไรนะมันจะเห็นเป็นดวงสว่างในที่สุดเมื่อได้นิมิตนี่พูดมาแล้วตอนนี้กลายเป็นเรื่องนิมิต ด, ด้วยแล้วนิมิตคือว่ากสิณก็คือเครื่องเพ่ง ไอ้คำว่าเพ่งเนี่ยไม่ได้ไปเพ่งจนตาถลนนะดูจําได้หลับตานึกเห็นตรงหลับตานึกเห็นครั้งแรกเขาเรียกบริกรรมนิมิตตรงนี้จะได้สมาธิในระดับคณิกะสมาธิคือนิดหน่อยพอดูแล้วก็หลับตาพอจําได้ครั้งแรกนึกเห็นในใจ ใจมันค่อยมารวมรวมความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้มันมารวมรวมมากเข้าเห็นเป็นดวงใสเห็นเป็นดวงใสชั่วคราวเขาเรียกว่าอุกข ห, หานิมิตเริ่มเป็นนิมิตติดตาแต่ว่าชั่วคราวตรงนี้ได้สมาธิเรียกว่าอุปจาระสมาธิคือสมาธิระดับเกือบแนบแน่นเลยตรงนี้เริ่มดีแล้ว กิเลสนิวรมหมดไปเอาแต่เห็นใสมันก็หมดไปถ้ามันหายไปก็กิเลสนิวรกลับเข้ามาใหม่พอมมองไปนึกไปเห็นไปนานๆเข้าใจมารวมจนหยุดนิ่งสนิทเป็นอารมณ์เดียวเห็นเป็นดวงใสแจ่มได้อย่างมั่นคงลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นนึกขยายโตก็ได้ ย่อให้เล็กลงก็ได้ทีน่นี่นิมิต ร, ระดับนั้นเรียกว่าปาติพาคณิมิตได้สมาธิในระดับอัปปนาสมาธิแทบจะเหมือนกับว่าไม่ได้หายใจในเบื้องต้นที่เห็นสมาธิในระดับนั้นเป็นสมาธิในระดับอัปปนาสมาธิเป็นเบื้องต้นของปฐมฌาน และที่เป็นเบื้องต้นของปฐมฌานนั่นแหละเกิดองค์คุณเกิดคุณธรรมหรือเรียกว่าองค์แห่งฌานหรือองค์ห้าวิตกตรึกนึกเห็นใสแจ่มได้วิจารเห็นอยู่ได้นานลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นปีติเกิดความตื่นเต้นนิดหน่อยเมื่อเห็นใหม่ๆ ใ, ใจไม่เคยเห็นนี่สุข เมื่อใจสงบแม้จะเสวยสุขอยู่ด้วยนามากายคือด้วยใจที่ผ่องใสละเอียดเนียนเอกคตาเป็นหนึ่งนิ่งอยู่คุณธรรมห้าข้อนี้แหละมันเกิดขึ้นในระดับปฐมฌานขึ้นไปเห็นดวงใสแจ่มนี่ตรงเห็นดวงใสแจ่มเนี่ยพอเห็นครั้งแรกเป็นดวงใสความง่วงหายไป ไอ้ที่ง่วงเนี่ยเพราะมันไม่เห็นนะมืดแต่ใจสว่างว่าไปท่านจะกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาทันทีนี่แล้วถ้าเห็นได้นานเรียกว่าวิจาร์พอเห็นได้นานอ๋อนี่เป็นทางถูกต้องแล้วความลังเลสงสัยหมดไปเพราะเราสัมผัสแล้วใจอ๋อใจสะอาดเป็นอย่างนี้สว่างปลอดโปรง่งสบาย เกิดปีติตื่นเต้นเพราะไม่เคยเห็นในเบื้องแรกเพราะฉะนั้นไอ้ที่เห็นบางคนมันสันมันอะไรเนี่ยเพราะปล่อยให้ปีติมันทำหน้าที่ไปเกินเหตุ น, นั่ น, นะพวกที่ปลุกพระพวกที่อะไร อ, อะไรอย่างนั้นปล่อยให้ปีติทำหน้าที่โดยขาดสติควบคุมนี่อย่างนั้นเป็นมิจฉาสมาธิ แต่ถ้าสัมมาสมาธิเราจะมีสติควบคุมไม่ปล่อยให้เตลิดเปิดเปิงไปอย่างนั้นใจสงบหยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งพอคมปีติได้สเสวยสุขขณะที่ปีตินั่นความหงุดหงิดขัดเคืองใจมันหมดไปแล้วนะแต่พอใจสงบหยุดนิ่งใสแจ่มสเสวยสุขอยู่ด้วยนามากายนั้นความฟุ้งซ่านไปอื่นไม่มีแล้ว พอใจหยุดในหยุดกลางของหยุดนิ่งสนิทการมาฉันทะหมดไปเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายนั่งอยู่ก็อย่าไปได้ไปกลัวนะอย่าได้ไปกลัวว่าการมาฉันทะมันจะหมด เ, เหมือนคนทางโลกคนทางโลกในแหม่พออะไรอะไรมันไม่เข้มแข็งเหมือนเดิมก็เรื่องราวมากมาย ก, กายกองถึงก็ถามหาไว้อก ร, อร่าบ้างอนะไรบ้าง ซึ่งแท้แท้นั่นไม่ได้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตนะแต่ถ้ามาเจริญภาวนาเนี่เราสงบระ ง, งับข้อนี้แต่สงบระ ง, งับในขณะที่ใจรวมเป็นหนึ่งเดียวหรือจะมีสมาธิเหลือเพียงครึ่งเดียวก็จะสงบระ ง, งับได้ดีมากคนเราน่เป็นมนุษย์ เป็นสัตว์ประเสริฐการจะแสดงกามชฉันทะหรือแสดงตันหาราคะออกมาให้เขาเห็นมากๆนั่นไม่ใช่วิสัยของมนุษย์คู่ประเสริฐสัตว์ดีรฉานมันก็แสดงได้และมันแสดงอยู่ แต่ถ้าคนรู้จักข่มใจสงบระ ง, งับมันยังไม่หมดเลยเหรอกไม่ต้องกลัวนั่นกลับจะทำให้ความประพฤติปฏิบัติของเราเรียบร้อยดีไม่มีโทษทางกายทางวาจาแต่ในทางปฏิบัติภาวนานั่นเรากำจัดให้หมดไปเลยในขณะนั้นถ้าไม่อย่างนั้นมันเห็นธรรมชาติตามที่เป็นจริงไม่ได้ ถ้าใจไม่สงบผองใสไปพิจารณาสิพิจารณาเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไอตรงที่ว่าแม้ตรงนี้มันก็แค่เนื้อแค่ไขมันนะพอไปเห็นเข้ามันเกิดกำเริบขึ้นมาสําหรับผู้ที่ไม่ได้ทําใจให้สงบระ ง, งับกามฉันทะไว้ก่อนแต่ถ้าสงบระ ง, งับแล้วมันเห็นตามที่เป็นจริงมันจะรู้อ๋อมันเป็นอย่างนี้ ตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญแปลว่าเมื่อใจหยุดนิ่งสงบจริงๆเป็นหนึ่งจริงๆกามชันทะหมดไปเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งเป็นเครื่องแนะนำไว้ว่าใครติดบุหรีติดเหล้าติดยาเสพติดคมใจปฏิบัติภาวนานี่รถเหล่านั้นจะจืดและถ้าทำบ่อยๆมันก็ถึงละได้แต่ส่วนมากจะจิตใจไม่เข้มแข็งพอที่จะปฏิบัติให้มันได้ผลถึงขั้นนั้น ทีนี้ก็จะไม่พูดยาวไปในเรื่องนี้แต่จะมาพูดในหลักการว่าในขั้นสมถะภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องกรสินสิบภูตะกะสินสีวั น, นะกะสินสีอาโลกะกะสินหนึ่งคือกสินแสงสว่างเพ่งแสงสว่างและอากาศกรสินหนึ่งเพ่งความว่าง แต่เพ่งความว่างนี่นำไปสู่อารูปิชานแต่ว่าจะเพ่งอะไรกันแล้วแต่ต้องเห็นดวงใสสว่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอาโล ก, กะกสินนี่เป็นกสินที่มีอานุภาพที่สุดในขบวนกสินทั้งหลายเพราะเป็นศูนย์กลางของกสินหรือเรียกว่ากสินกลางเมื่อใครปฏิบัติกสินใดไปแล้วจะเห็นเป็นดวงใสสว่างเหมือนกันหมด และนี้นำไปสู่เมื่อจิตใจผ่องใสาจากกิเลสนีวรนแล้วในขั้นนี้ชื่อว่าสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานนี่แหละอุบายวิธีอบรมจิตใจให้สงบระงับหยุดนิ่งถึงขั้นฌานจิตประกอบด้วยองค์ห้า คุณเครื่องกำจัดกิเลสนิวรห้าอย่างดังที่ได้บอกมาแล้วจิตใจผ่องใสควรแก่งานนี่แหละในขั้นสมถะภาวนาหรือสมถะกรรมฐานนะทีนี้นอกจากกสินสิบแล้วยังมีอีกอสุพภาสิ์เพ่งศพต่างๆแล้วก็อารูปประชานสี่นี่ก็สมถะเหมือนกัน พรหมวิหารสี่สมถะเหมือนกันเมตตาพิจรารณาในความรักสัตว์โลกทั้งหลายปรารถนาให้เขาอยู่ดีมีสุขกรุณาเวทนาสงสารสัตว์โลกทั้งหลายให้เขาพ้นทุกข์มุทิตาพลอยยินดีที่ผู้อื่นได้ดีและอุเบกขา สงบนิ่งจิตใจมัทยัตเป็นกลางวางเฉยไม่ยินดียินร้ายนี่ก็สมถะกรรมฐานหรือสมถะภาวนาและยังมีอีกการพิจารณาอาหารของเราสักแต่เป็นธาตุชื่อว่าจ ะ, จะตุววัฏฐฐานะนี่อย่างหนึง่งอ้อขออภยัยชื่อว่าอาหารเรปฏิกูลสัญญา สักแต่เป็นธาตุแล้วก็เห็นเป็นเครื่องหรือธรรมชาติที่ไม่ได้งดงามเป็นแต่ปฏิกูลสโสโครกน่าเกลียดแล้วก็จตุทาตุววัฏฐานะคือการพิจารณาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างสักว่าเป็นธาตุธาตุน้าดินไฟลมอากาศธาตุน้าดินไฟลมสี่อย่าง เท่านั้ น, นทั้งหมดนี่รวมเรียกว่าสมถะคูมสี่สิบนะหรืออารมณ์สมถะกรรมฐานสี่สบแต่ละอย่างละอย่างยังให้ผลที่เจริญภาวนาถึงขั้นฌานจิตต่างๆกันไม่เท่ากัน ซึ่งถ้าจะแยกบรรยายไปอีกก็ยาวแต่จะบอกว่าให้ผลที่จะเป็นใจสงบหยุดนิ่งในขั้นฌานจิตต่างๆกันในระดับต่างๆกันบางอย่างก็ให้แค่ปฐมฌานบางอย่างก็ให้ถึงจตุตฌานฌานที่สี่บางอย่างก็ให้ถึงอรูปฌานสี่นี่นี่คือระดับจิตใจที่สงบระงับ หยุดนิ่งจนถึงขั้นกำจัดกิเลสนิวร์เครื่องกั้นปัญญาได้ทีนี้ในสี่สิบอย่างนี้ท่านบอกว่าให้เลือกปฏิบัติตามจริตอัธยาศัยของตนนี่แหละคือคำที่ท่านทั้งหลายได้ถามมาแต่ว่า พึงทราบปจริอัธยาศัยของค น, นมีหกอย่างนะในหกอย่างนั้นเช่นพวกราคะจริตรักสวยรักงามพวกนี้ควรจะให้เพ่งอสุภสิบนั่นเป็นธรรมคู่แข่งกันหรือกายะกตาสติเหมือนอย่างเมื่อคืนให้พิจารณาเกษาโลมานขาทันตานั่นแหละกายะกตาสติคู่ที่ มักมีอารมณ์เจ้าโทสะเรียกว่าโทสะจริตเขาให้เพ่งกสินเพราะโทสะจริตนี่มั ก, กจะจิตใจฟุ้งซ่านใจร้อนและก็ถ้าจะให้ดีเขาบอกให้เพ่งวันณกสินสีกสินี่เป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีขาวหรือว่าให้เจริญพรหมวิหารสีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขา แต่อีกพวกหนึ่งโมหจริตหลงพวกหลงนี่นี่อย่างหนึ่งนะและพวกวิตกจริตคือพวกสงสัยขี่สงสัยต่อไปแล้วก็มีเรื่องสงสัยอีกกระจุกกระจิก๊กน่าจะเข้าใจได้ก็ไม่เข้าใจขี่สงสัยขี่ระแวงสงสัยในหมายถึงระแวงไม่ใช่สงสัยในประเด็นต่างๆที่ควรถามไม่ใช่นะขี่ระแวงที่สงสัย อย่างนั้นพวกนี้ท่านให้เจริญอาณาปานาสติอาณาปานาสติก็เป็นอนุสติหนึ่งที่สำคัญและพวกศรัทธาจริตนี่ศรัทธาจริตนี่ท่านให้เจริญอนุสติหกเบื้องต้นคือมีสติระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณของศีลคุณของทานกุศลและคุณของเทวดา เออเทวดาเขาทำยังไงแล้วจะได้ผลดีเกิดตายไปแล้วไปเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์เรียกว่ามนุษย์สเทโวมนุษย์ที่มีจิตใจภูมิจิตหรือระดับจิตถึงขั้นเทวดาอย่างนี้เป็นต้นสาตุชนได้รับฟังจบลงไปสักครู่นั้นก็เป็นสารธรรมจากหลวงพ่อพระมาหาเสริมชัยชยมังคโลโเจ้าวาดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามเป็นการตอบปัญหาธรรมในเรื่อง หลักของการเจริญภาวนาธรรมตามแนววิชาธรรมกายซึ่งก็มีข้าราชการตำรวจเขาสงสัยและก็ถามกับหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยเนื่องในโอกาสเข้าไปอบรมที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามสำหรับปัญหาธรรมเรื่องนี้ยังไม่จบเลยทีเดียวขอเชิญท่านสาธุชนโปรดติดตามได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่าน ทุกคนเทินจเจริญพร